พวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้คือศีลสองยิพระปฏิโมกจะสวดทุกกลึงเดือนคือทุกสิบสี่หรือสิบห้าค่ำสิบสี่ก็คือเดือนดับสส่บห้าค่ำเดือนดับเดือนเพนอันนี้คือพระวินัยเราจะละเว้นไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติทางด้านจิตใจจิตใจเขาสู่ความสงบเยือกเย็นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของวินัยเพราะเราจะต้องอยู่ด้วยกันได้ต้องวินัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหลจะเป็นสาธาของพวกท่านทั้งหลาย อันนี้พวกพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้เป็นอันว่าพวกเรามาพิจารณาดูแล้วว่าแต่ประเทศไหนก็ตามชาติไหนก็ตามถ้าไม่มีกฎหมายกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายไม่เป็นกฎหมายใช้กฎหมู่บังคับกันแล้วอีกไม่นานประเทศนั้นย่อยยับหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้พวกมากลากไปเพราะเหตุใด เพราะว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เหมือนกันถ้าว่าทำรรและวินยัยพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่พระสงฆ์ไม่ครบพระวินัยเมื่อไหร่เอาอย่างใจตัวเองว่าข้อนั้นก็ไม่จําเป็นสิกข้าบทนี้ก็ไม่จําเป็นตัดทอนไปเรื่อยผลในสุดกิเลสในจิตในใจของพวกเรา มันทวีคืนขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุดเพราะว่ามันตีเข้าข้างกิเลส ต, ตัวเองตรงนั้นก็ไม่จำเป็นตรงนี้ไม่สาคัญผลที่สุดก็เลยไม่มีธรรมไม่มีวินัยไม่มีกฎไม่มีวินัยที่พวกเราจะต้องเคารพนับถือผลที่สุดจิตใจก็ยิ่งเหี่ยวแห้งอับเฉาร้อนพระอุเพราะเป็นพระไม่มีศีล พราท่า น, นสินและวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ให้พวกเราสมท า, านหรือให้พวกเร า, เานับถือด้ว่าให้พวกเราปฏิบัติคือข้อห้ามาและข้อให้ปฏิบัติตามมีทั้งข้อห้ามและก็ บ, บังคับให้ปฏิบัติตามสินและวินยัยถ้าพวกเราศึกษาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือห้ามไม่ให้ทำจุดนั้น แต่ว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทําจึงให้ทําคือบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากจะทําแต่ว่าพระพุทธเจ้าบางมีกฎให้ทําอย่างพวกเราเนี่ยฉันอาหารในเวลาวิกาลอย่างนี้พวกเราก็ไม่ชอบเพราะพวกเราจะจะฉันตามอัธยาศัยฉันอย่างตามใจชอบแต่พระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติยาฉันอาหาร ในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปถ้าภิกษุใดก็ตามฉันอาหารในเวลาเที่ยงแล้วไปเป็นอาบัติปาจิตติอันนี้คือสินนี่แหละอันนี้เราอยากจะฉันอาหารเราจะทานอาหารแต่พาพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยห้ามไม่ให้ฉันท่านต้องมีความหมายของท่านทาาว่าพระมีมากมาย ไม่ได้ทําการแล้วก็อาศัยชาวบ้านบินทำบาทัดทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นทั้งกลางคืนด้วยจะยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยพระเป็นผู้มาออกมาแล้วเป็นผู้ตัดกิเลสในจิตในใจตัดโลคโกรธหลงในจิตในใจออกมาแล้วก็ต้องเสียสละเป็นผู้ฉันมือเดียวเหมาะแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วนี่อันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านมองดูแล้ว ด้วยหลักเหตุผลก็เป็นอย่า ง, งานั้นจริๆงๆถามว่าพวกเราอย่างฉันมื้อเดียวพวกเราเป็นยังไงไม่ไมก็รู้สึกว่าลำบากบ้างแต่พอมันเคยชินแล้วไม่ระ ล, ลึกถึงเลยอย่างผมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมไม่คิดถึงเลยเรื่องอาหารเพราะอะไรเพราะเคยชินเราฝึกฝึกยังไงมันก็ได้อย่า ง, ง น, นั้นเพราะนั้นศินและวินยัย ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติในธรรมคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิธรรมในใจมีปัญญาเกิดขึ้นในใจยิ่งมองเห็นคุณค่าของสินและวินัยมากเว้นเสียแต่พวกเรามีกิเลสโลภโกรดหลงในจิตในใจหนักไปทางโรบโหโมกณนะ ทางกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเราจะมองไม่เห็นคุณค่าของศิลและ ว, วินยัยเพราะนั้นศินลเล ว, วินัยของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ปฏิบัติหรือว่าได้รักษาศินได้ภาวนาได้ปฏิบัติตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างแล้วเราพวกเราจะมีความมั่นใจมีความสุขไปณนะสถานที่ใดสางาผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญ ไม่สะทกไม่สะทานในสาธารณชนควรจะทำยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรควรปฏิบัติตนยังไงควรพูดยังไงควรแสดงอากับกิริยาอย่างไรเรามีสิทธิและวินัยคุ้มครองในการเป็นอยู่ของพวกเราไปน่สถานที่ใดสวยงามเพราะใดเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติสิลและวินยัยปฏิบัติไปนั้นพวกเราพิจะระนารณาดู ไม่ดีก็แล้วกันอย่างพวกเราสวดลงสวดจบลงสักครู่นี้ เ, เราจะเดินบินทักบาทโดยเคารพหรือเราเข้าไปใน่บ้านเอาเราจะคลองผ้าด้วยดีผมผ้าด้วยดีไปนั่งในบ้านทั้งไปด้วยนั่งในบ้านในบ้านด้วยทั้งไปด้วยทั้งนั่งด้วยในบ้านาคลองผ้าให้เรียบเรียบร้อยเป็นพริมนทน ให้ปิดหลงคอให้ปิดแขนให้ถึงครึ่งแข้งเนี่ยนะคือปริมนทนเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านเราจะไม่คุมเอาผ้าคุมศีรษะไปนั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านเราจะไม่เอามือโครองกายไปนั่งในบ้านเราจะไม่เดินกระยองเท้าไปในบ้าน อย่างนี้เป็นตดล้วนแล้วจะเป็นกิริยามรญยาตถ้าเราไปทำอย่างนั้นในหมู่บ้านในชุมชนเราจะไม่เอามือขํากายทํำกายให้เข้าไปล้า น, นั่งเอามือข้ากายไปนั่งในบ้านสิ่งหมูนี้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่อความสวยงามของพระสงฆ์การฉันก็เช่นเดียวกันเราจะฉันบินทบบาทโดยเคารพ เมื่อฉันเราจะแลดูแต่ในบาทเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสู้ๆเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่ฉันกัดคําข้าวเราจะไม่ฉันโยนคําข้าวเข้าปากนีเราพิจารณาดูสิพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยให้พระปฏิบัติที่พวกเรา ส่วนตบลงสักครูนี้อันนี้คือศินอันนี้เสกียวัตรวัดที่พิฆูจะต้องศึกษามีอยู่เจ็ดสิบห้าสิกขาบทในเพราะนั้นเพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้เพื่อให้พระสงฆ์ทั้งหลายนํามาประพฤติปฏิบัติการเข้าสู่ชุมชนสังคมการเข้าเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะ เ, เมื่อเข้าอยู่ในกลุ่มในคณะแล้ว เรามีวิญญาณต่างองค์ก็ต่างมีวิญญาคุ้มครองล้วนแล้วจะมีแต่ความสงบผาสุขด้วยกันเราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆโปรยเมล็ดข้าวพวกผักพวกอะไรพวกน้ําหยดในบริเวณตัวเองนั่งต่างองค์ก็ต่างไม่ระมัดระวังรักษาพอลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระของผู้ที่มา เก็บกวาดทําทความสะอาดแต่วพวกเราใครนั่งอยู่ที่ใดเมื่อฉันเสร็จแล้วมองให้รอบตัวเองจากนั้นก็เอาผ้าเช็ดให้สะอาดเก็บของที่ตกออกหลงไปจะเป็นผักเป็นมงเล็กข้าวเป็นน้ํากงน้ําแกงอะไรก็ตามมันหยดโรงไปเราต้องเช็ดให้สะอาดแปลว่าต่างคนก็ต่างเช็ดในบริเวณที่นั่งของตนเอง อันนี้คือเราไม่ฉันปโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆถ้าเราปโปรยลงไปแล้วก็เป็นอบัติทกกฎเพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีวินยัยนี่อันนี้เราคือสินลิวินยัยไม่ใช่อื่นไกลคือการเป็นอยู่ของพวกเรานั่นเองในเมื่อเราทําความสะอาดแล้วก็ไม่มีภาระองค์อื่นที่พระอยู่ศาลาลรืใครดูแลความรับผิดชอบในอานะสง์หรือว่าในศาลา ก็ต่างคนก็ต่างเก็บรักษาสะอาดหมดลุกขึ้นไปแล้วก็แปลว่าแล้วกันไม่ต้องดูแลอีกเพราะต่างองค์ก็ต่างรักษานี่แหละอันนี้คือศีลและวินยัยถ้าเรามีกฎมีระเบียบอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นถุกอย่างพวกเราเข้าห้องน้ําก็เหมือนกันห้องน้ําห้องสวมแต่ในพระในครั้งพุทธกาลเป็นห้องน้ําปล่อยห้องน้ําที่ถ่ายลงไปแล้วไม่มีไม่มีไม่ใช่ห้องน้ํา สวมซึมอย่างทุกวันนี้สมัยนั้นท่านมีห้องน้ำกาดเห็นล้านขึ้นไปแล้วก็ถ่ายอุจจาระลงไปท่านก็บอกว่าพิกถุกใดเข้าไปใช้ห้องน้ำถ้าขัางน้ำไว้ในกระบอกคือมคงจะเป็นกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเป็นขันน้ำเป็นล้างเวลาล้างชำระตัวเองแล้วนะและปล่อยน้ำค้างไว้ในขันปรับอบวบทุกขด เพราะเหตุไรเพราะว่าทําไมไม่คว่ำขันพอใช้น้ําเสร็จแล้วให้คว่ำขันเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองใช้ไปนั่นอาจจะสิ่งปฏิกูลของตัวเองตกค้างในขันนั้นก็ได้คนอื่นเขาเ้าไปเป็นภาระของคนอื่นเขาเขาคนอื่นเขาขยะขยงว่าขันน้ำเนี่ยมันขังน้ําไวทไ้ทําไมทําไมบางที่อาจจะมีสิ่งปฏิกูลสกปรกอยู่ในขันนั้นก็ได้เพราะนั้นท่านให้ความขันทําไม่ความขันปรับอบัตทุกกฎ คือสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านละเอียดละ อ, อถึงขนาดนั่นแหะอันนี้คือพูดเกี่ยวกับส่วนหนึ่งให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราศึกษาในพระวินัยแล้วเราจะรู้ได้ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสมท่านเป็นกษัตริย์จริงๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเอาระเบียบของกษัตริย์มาใชใ้พวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราเป็นสากะยะบุตร ทั้งที่พวกเราเป็นลูกตาสีตาสาตามีตมมาชาวไล่ชาวนาแต่พอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธพระพุทธเจ้าท่านรับไว้เป็นสาสกยาบตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถือว่าถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาบวชแล้วอย่าให้จะทําทให้ตระกูลของพระพุทธเจ้าเสียให้รักษาวินยัยให้รักษา ก, ษากฎระเบียบให้ศึกษาเรื่องพระวินยัย เพ อ, อให้ทักเคารพเคารพกฎเกณฑ์คือศีลและวินยัยเน่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นศีลและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกทันทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วนะีเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเรื่องวินัยหรือศีลเนเพราะฉะนั้น ให้พวกเราศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่จะดำรงทรงศาสนาอยู่นานต้องศึกษาเรื่องพระวินยัยพระวินยัยหรือวศีเหมือนกับกฎระเบียบเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองลักษณะอย่างนั้นแหะไม่แพ้กันคนกฎหมายบ้านเมืองเราต้องศึกษาให้บ่อยมาตราที่แถานี้กฎที่เแ่านี้พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรที่ไหนพวกเราก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจ เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติถูกต้องใครเห็นเราผู้ใดเห็นก็ตามเขาก็สบายใจเพราะเหตุใดเพราะเราอยู่ในกฎอยู่ในวินยัยเราจะทวงติงใครบอกเออท่านบวชใหม่ ย, ยังไม่รู้ อ, อันนี้ผิดวินยนะัยเนอะอย่าไปทำอย่างนี้เราก็กล้าพูดการแสดงออกเพราะเหตุใดเพราะเราได้ศึกษามาดีแล้ว อันนี้คือศีลและวินยัยศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิถ้าพวกเรามีศีลดีแล้วไม่มีความวิตกกังวลในการเป็นอยู่คิดถึงศีลของตัวเองศีลบริสุทธิ์เราไม่ล่วงเกินศีลไม่ล่วงเกินวินยัยไม่ล่วงละเมิดพระวินยัยศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เวลาเรานั่งสมาธิ จิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะเราพวกเราไม่วิตกไม่กังวลว่าข้าพเจ้าได้ทําผิดเนี่ยสินที่กบฏขอนั่นขอนี้อทําไม่ถูกต้องจุดนั้นจุดนี้ไงถ้ามันทําผิดเราก็แสดงอาบัติซะเราตั้งใจเอาไว้ว่าเออเมื่อได้เวลาแล้วเราจะแสดงอาบัตเราจะไม่เก็บอาบัตินี้ไว้อย่างพวกเราลืมผ้าคลองเนี่ยผ้าไตรเนี่ยสามผืน เราลืมพื้นใดพื้นหนึ่งไว้แต่พรุ่งนี้เช้ามาเราอย่าอย่าไปทิ้งเอาไว้เราเรีบจัด ก, การอันนี้คือให้เคารพปินัยถ้าเราไม่จัด ก, การแล้วทิ้งไว้นานเท่าไหร่เราก็ยังได่ตกกังวลทำให้เสียเวลาเสียความรู้สึกในการทำสมาธิอู้จ่ายผ้าพื้นนี้เราลืมไ้แล้วงเรายังไม่ได้เสียสละเลยเพระพระพุทธเจ้พาตรัว่าผือผ้าพื้นใดก็าตามถ้าภิกษุลืมไปแล้ว เอามาใช้ถูกขนเช่นใดเป็นอวบัตทุกกฎทุกขุมทุกเช่นคนที่สัมผัสในผ้าพื้นนั้นนี่แหละเพราะนั้นเวลาเราลืมผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งเราต้องรีบเสียสละตามพระวินยัยต้องศึกษาถ้ายังไม่รู้กไปถามท่านผู้รู้เเพราะพระในวัดของเรามีผู้ใหญ่มีผู้น้อยผู้เรียนรู้เรื่องพระวินยัยก็มีอยู่ เพราะนั้นเราต้องทําให้ถูกต้องในเมื่อเราทําถูกต้องต่อศีลและวินัยแล้วนั่นแหละทะน่นี่เวลาเราจะนั่งสมาธิใจของเราก็ไม่พวักพวนไม่ได้คิดว่าศีลของเราวิบัติ ต, ตรงไหนศีลของเราด่างพร้อยที่ตรงไหนศีลขาดศีทลทะลุตรงไหนไม่มีใจของเราก็สงบเอร่มเย็นเพราะวินัยเป็นรั้วทั้งสองข้างอยู่แล้ว 227เราอยู่แล้วเราเดินตรงกลางศีลคุ้มของใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไรเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งไม่วึตกกังวลไม่พวกรพวลไม่หิวโหวยไม่ว้าเว่ไม่ฟุ้งซ่าน จากนั้นเรานามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอีกเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันพวกเราให้ศึกษานะให้ศึกษาถ้าว่าพวกเราศีลไม่ดีสมาธิเกิดยากในเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิจิตปงฟงซ่านว้าวว่าพุ่นขุนมัวอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวันจะเดินสัมปัญญาให้เห็นจริงให้รู้แจง้งเห็นจริง ต า, ตามหลักธรรมคาสอนด้วยตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นไปได้ยากพูดอย่างนั้นเลยเป็นไปไม่ได้เลยพูดอย่างนั้นก่อนไม่น่าจะผิดเอเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นสะดุดใจอย่างแรงแล้วก็มันเกิดในช่วงนั้นศีลเกิดเพราะเพราะช่วงนั้นสมาธิเกิดช่วงนั้นปัญญาเกิดขึ้นในช่วงนั้นอแบบว่าอัตโนมัติในช่วงเดียวนั้นเลยอันนั้นก็คงมีอยู่บ้างพวก คิดปัญญาหรือว่าพวกมีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันแข็งแรงเพราะว่าสะดุดใจอย่างแรงจากนั้นก็จับอย่างจุดนั้นเข้าไปเลยแล้วก็เป็นสินสมาธิปัญญาในขณะนั้นเลยและก็ปล่อยวางในจุดนั้นเขียนโทษในจุดนั้นได้เลยอันนี้ก็คงจะมีอยู่บางแต่น้อยท่านจะต้องศินสมาธิและปัญญาอันนี้คือเป็นแนวแถวที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนผมเคยพูดเสมอว่าหลวงปู่มั่นเคยเตือนพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในยุคสมัยหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าศีลและวินัยนี่นะพระวินัยของพระนี่นะเหมือนผงธุลีเออมันมันผงธุลีถ้ามันเข้าตาใครแล้วถ้าใครไม่เคารพในพระวินัยแล้วเหมือนกับผงทุลีเข้าตา เออมันเข้าทีละน้อยละน้อยเอ่ปิมันผงน้อยๆหรอกแต่มันเข้าหลายครั้งก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางได้เออเพราะว่าให้โป่งทุลีมันเข้าตานี้ก็เหมือนกันสินและวินัยของเมื่อเราไม่เคารพอ่าก็ทำให้ตาฝ้าตาฝางมองไม่เห็นสัจธรรมสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรได้เนี่ยเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดถ้ามันเปืเป้อนเออของสกปรกทีละน้อย กระทำให้ภาคขาวปืนนั้นไม่สะอาดนะดูแล้วไม่สวยงามไม่ถูกต้องใครเห็นก็พระเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยเนี่ยพระเป็นผู้มีศีลไม่สมบูรณ์นี่แหละอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อผงโพลีเข้าตาแล้วมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงจะพิจารณาธรรมะเข้าไปก็มองไม่เห็นเพราะเหตุอะไรเพราะว่า ผงธุลีมันไปปิดกั้นปัญญาคือความรู้ของเราไปปิดกั้นจุกนั้นซัก้วทําให้จิตใจของเราหมองมัวมัวหมองไม่สามารถที่จะมองเห็นสัจธรรมของจริงได้เพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามศีลและวินยัยศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นไว้นั้นเป็นแนวทางสําหรับพวกเราจะต้องศึกษา อยู่ด้วยกันมากน้อยถึงจะมากขนาดไหนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนองค์ถ้าต่างองค์ต่างมีกฎต่างองค์ต่างมีวินยัยอยู่ด้วยกันสงบร่มเย็นเป็นสุขเงียบสงบทั้งนั้นถ้าว่าพระออกนอกลูกนอกทางนี่แต่นักเลงหัวไม้ไม่ยอมฟังใครอยู่ด้วยกันไม่ถึงสองสาองค์หรอกเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะพระไม่มีศีลนะไม่มีศีล ไ, ไม่มีวินยัย ทำยังไงมองกันในมองในแง่ร้ายไม่มองในการในแง่ธรรมะและอีกอย่างหนึ่งในแย่งกันในลาบในยศแย่งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแย่งขี้กันนะพูดง่ายๆกูบายการทั้งขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแย่งกันอยู่แย่งกันกินไปแย่งกันทําไมไม่ใช่หนอนเราไม่ใช่หนอนเราเป็นพระท่าหนอนเออมันแย่งกันแย่งอุจจาระกัน ใครได้กินมากใครได้กินน้อยที่เราเป็นพระเนี่ยต้องรู้จักเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรเราบวชมาไม่ได้เพื่อสังสงโลกโหโมโคณะเราเป็นพระเราเป็นผู้เสียสละอยู่แล้วเรามีอยู่มีฉันตามอัตภาพเราให้ประพฤติปฏิบัติรรมแต่มีความจําเป็นอย่างไงก็บอกหมู่บอกคณะบอกสงบอกผมจึงเป็นหัวหน้าอย่างนี้ขาดเหลือขาดตกอะไรให้พวกท่านทั้งหลายประชุมกันบอกมา มีความจําเป็นเรื่องอะไรผมไม่ได้เก็บไว้เพื่อผมผมไม่ได้เก็บไว้เพื่อใครอาจจะตุกปัจจัยมากน้อยเก็บไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อบริหารคณะสงฆ์ถือว่าปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเป็นปัจจัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัจจัยของผมศรัทธาญาติโยมเขาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาจึงถวายมา ว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติในศีลในธรรมเขาอยากจะได้บุญกับพวกเราเขาจึงทำบุญมาถ้าพวกเราเป็นคารวาสใส่เชื่อใส่ผ้าซะผมยาวซะเขาจะให้เราไหมเขาไม่ให้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคารวาสเราไม่อยู่ในยูนิฟอร์มของพระสงฆ์ที่เขาทำบุญเพราะเราอยู่ในยูนิฟอร์มของพระสงฆ์เขาจึงเขาเครพนับถือเลื่อมใสเขาจึงทำบุญ เพราะนั้นเราจะไปถือว่าเป็นเงินของเราได้อย่างไรเป็นเงินของพระพทุทธเจ้าใช้ให้เกิดประโยชน์เห็นศรัทธาของเขาเขาน้ำใจของเขาที่เขาทํามาไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ซื้อดะไปหมดโดยไม่คิดโดยไม่อ่านอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระต้องคิดก่อนจ่ายเงินตัว น, นี้ไปเพื่ออะไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนีอย่างนี้เป็นต้นะอันเลยอยากจะให้หมู่พวเพวื่อนทุกองค์ไปอยู่นักสถานที่ใดให้คิดก่อน เนี่ยข้ใช้ปัจจัยสี่ของพระพุทธเจา้าอย่าไปถือว่าปัจจัยนี้คือเป็นปัจจัยของเราเป็นปัจจัยของพระพุทธเจา้าอะเป็นปัจจัยของเขานับถือพระพุทธเจา้าเขาจึงมาทําบุญกับเราเราเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่ได้ทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนเราบินธบาบเพื่อเลี้ยงชีพเขาเห็นว่าพวกเราเป็นผู้เออ ทรงศิลป์อยู่ในข้างในผู้รักษาหลักพระธรรมวินัยเนี่ยเขาทำไม่ได้อย่างเราชั้นมือเดียวไม่ได้นอนองเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้อยู่อย่างเราไม่ได้พวกเราทาปฏิบัติได้เนีย่ยตามหลักธรรมวินัยเขาก็ได้ศึกษาว่านี่คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเขาก็เขาลกนับถือเรื่มใสก็ทำบุญทาทานมานะ อย่าไปหลืงอย่าไปหล ง, ห ล, งลืมตัวไปอยู่ในสถานที่อะไรอย่าลืมตัวเพราะงั้นเออให้รู้ว่าเราอยู่สถานะไหนเราอยู่ในอย่าหลงในกำพืชของตัวเองเราเป็นใครสิ่งเหล่านี้ขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหนา้ากให้พวกท่านได้คิดอให้ได้คิดถ้าพวกท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้ความลืมตัวจะไม่มีแต่พวกเราลืมตัวไปแล้วอันนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่พระสากยบุตรของพระพุทธเจ้านะเอาเป็นพระแหวกแนวไปเรื่อยแล้วท่านนี่ผลที่สูดก็เดือดร้อนพุ่นวายเป็นหมดเห็นอะไรขอไปหมดขอดะไปหมดเอาถ้าขอไปแล้วเดือดร้อนพุ่นวายเลยท่นนี่ขเขาดูถูกเหย็ดยามพระพุทธศาสนาเลยท่านเราจะไปเดือดร้อนอะไรเออเราเป็นพระะแต่มีความจําเป็นเออเอาบอกมาะแต่ควรจะช่วยสิ่งเหลือสิงไหนกับใคร เขามีความจําเป็นเราก็พิจารณาดูว่าเออมีความจําเป็นเราจะช่วยได้ก็ช่วยไปเพราะว่าปัจจัยที่ได้มานในเมื่อเขาให้มาเขายังให้เราได้แต่เมื่อเราให้เขาเมื่อจําเป็นเขาจําเป็นเราก็ต้องให้เขาได้อีกเหมือนกันเนี่ยพุทธบริษัทสีคณะทศัทายญาติโยมให้แก่เราเขายังให้เราได้เสียสละให้เราได้แต่เมื่อเขามีความจําเป็นคณะสูงทําไมจึงให้เขาไม่ได้เพราะเหตุไร เพราะว่าพระสงฆ์ก็อยู่กับเขาแต่พระสงฆ์รับอย่างเดียวนะไม่ยอมคลายและไม่ยอมเสียสละให้แก่เขาแสดงว่าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวนะควรจะไปอยู่บนหลังเขาสูงๆอย่าไปยุ่งกับใครนะมีแต่เอารับอย่างเดียวโดยที่ไม่สงเคราะห์ใครนะอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้เป็นความเห็นหรือความคิดของหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวผมเห็นด้วยกับหลวงตาที่ท่านบอกเมื่อ เขาสงเคราะห์เราให้ทานเสียสละให้แก่เราเรายัางรับได้แต่เมื่อเขามีความจําเป็นเราก็ควรจะสงเคราะห์เขาให้โรงพยาบาลโรงร่ําโรงเรียนสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อโลกสรุปแล้วก็คือเขาอาศัยเราเราอาศัยเขาโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขแต่บ่เห็นแต่แก่ตัวอย่างเดียวไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครเราไปอยู่ณสถานที่ใดกลุ่มใดก็ตาม ไม่ยอมเสียสละซึ่งกันและการไม่มีน้ำใจต่อกันแล้วกลุ่นชุมชนในกลุ่มนั้นหาความสงบพรมเย็นเป็นทุขไม่ได้นะในวันนี้ผมได้พูดเป็นแนวทางในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถือว่าวันนี้เป็นวันสาคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันปิสาขาบูชาเมื่อเช้าก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างใน ต, ตอนเย็นนี่ก็ ฟังพระปฏิโมกตอนนี้ไปกขคงจะลงมาอีกนะลงมาอีกเป็ น, นก็ไหว้พระปล่อยพราเสร็จปล่อยพระเสร็จแล้วกขคงจะเวียนเทียนพระทักษิณรอบศาลาจากนั้นเขาคงขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็ฟังกล่าวสัมมูทนิยกรรมถาอีกท่านคงพร้อมกับญาติโยมที่มาพักในวัดของพวกเราเอาตอนนี้ไปสวดพระท้ายพระปฏิโมกเราก็แยกย้ายกัน พักผ่อนซะก่อนในชว่วระยะหนึ่งค่อยกลับขึ้นมาอีก